อากาศสังิงนานังนดาังอากางปุญญงปวัตเดียนอากางอายุจวันโนจยยาโกิติสุขังบลังอากาศดาตาเมธาวีอากาศธรรมสมาหิโต